มนนานหลือกลางแต่ติดเดินแยกทางลืมฉันหรื อ, อยังเคยอยากรู้ฉันเหมือนเดิมทุกอย่างฉันยิ่งจำเธออยู่สมอวันและคืนหมุนเวียนเปลี่ยนใจคนง่ายดาย แต่ฉันก็ยังมีลืมเธอแม้เรื่องเราจะจบแม้ว่าคงไม่เจออีกแล้วแปล เยฉันไม่รู้จริงหรื รู้จริงยางไรฉันยิ่งเป็นคนเก่าแม้ว่าเรื่องของเราจบไป